ประวัติของหลวงปู่มัม่นภูริทัตโตประวัติท่านเล่าการเล่าประวัตินับตั้งแต่วันท่านอุปสมบทมานั้นท่านพระอาจารย์ม่ได้เล่าติดต่อกันแต่เล่าเป็นครอกเราเป็นบางโอกาสบางเวลาสลับมากับธรรมเทศนาบ้างเวลาฉันน้ำร้อนน้ําชาบ้างเวลาท่านพักผ่อนถวายการนวดบ้าง ส่วนมากไม่ได้เล่าแก่สาธารณะทั่วไปจะเล่าเฉพาะสิทธิ์เรื่องปฏิปทาปฏิบัติสุบินนิมิตสมาธินิมิตที่เกิดจากการภาวนาดังจะเล่าต่อไปนี้มีผู้เล่าผู้เขียนคือพระอาจารย์มหาบัวพระอาจารย์วิริยังและผู้เขียนหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกคือพิมพ์แจกในงานถวายเพลิงศพของท่านมีรายละเอียดดีเยี่ยมเรียบเรียงสํานวนโดยพระอริยคุณาทาน เสงปุตโสและมีผู้พิมพ์ต่อไปอย่างแพร่หลายแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้เพื่อทําเนื้อเรื่องให้ติดต่อล ะ, ละเอียดจุดประสงค์เพื่อเป็นอุบายเครื่องเปรียบเทียบสําหรับท่านผู้สนใจแนวปฏิบัติทั้งคารืหัดและบรรพชิตเพื่อท่านที่ปฏิบัติมีนิมิตมีปัญหาเกิดจากการภาวนาจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบสําหรับผู้ปรารถนาบรรลุมรรคผล อาจเป็นอุบายแก้ปัญหาได้ท่านว่าพออุปสมบทแล้วระยะแรกๆนอนหลับฝันไปปรากฏว่าท่านเองยังเป็นสัมเนนอยู่ยังไม่เป็นพระนั่งภาวนาพอจิตรวมเป็นอุปจาระก็ปรากฏว่ายังเป็นสัมเนนอยู่ท่านมาเฉลียวใจว่าเอ๊ะนี่เป็นเรื่องอะไรพิจารณาได้ความว่า รองผ้าสังคติชั้นเดียวเป็นผ้าดามคือเย็บเป็นดูกเป็นแบนเรียกผ้าดามจึงไปกราบเรียนต่อพระผู้ใหญ่ท่านก็ยอมรับจัดหาสังคติสองชั้นให้แล้วเข้าโบทถ์ทำทันหีกรรมใหม่ทีนี้นอนหลับฝันว่าได้เป็นพระโดยสมบูรณ์ปรากฏว่าบนบ่าซ้ายมีดาบสะพายอยู่เท้าทั้งสอง มีรองเท้าพระชนิดขีบทำด้วยหนังสวมอยู่พิจารณาได้ความว่าดาบคือปัญญารองเท้าคือสมาธิมีสมาธิมั่นคงมีปัญญาแก้ปัญหาได้ผู้เล่ากราบเรียนถามว่าแค่สังคติชั้นเดียวห้ามมรรคผลด้วยหรือท่านว่าเป็นวัตถุวิบัติ ขื้นชื่อว่าวิบัติแล้วก็เป็นวิบัติวันยังคำ่ำขื่นยันรุ่งอยู่นั้นท่านพระอาจารย์เล่าต่อว่าคืนหนึ่งท่านนอนฝันไปว่าได้ไปยืนอยู่บนคอนไม้ชาติที่ถูกตัดให้ลม้มลงแล้วต้นหนึ่งมองดูข้างปลายใบก็หล่นหมดแล้วมองดูข้างต่อคงตัดมานานสูงประมาณหนึ่งคืบมีเปลือกผุพังบ้างแล้ว ในขณะนั้นมีม้าตัวหนึ่งมายืนเคียงข้างคอนไม้ชาตินั้นอย่าลืมว่าดาบและรองเท้าติดตัวเสมอพอนึกอยากขี่ก็ขึ้นขี่หลังม้าเลยม้าก็พาวิ่งข้ามทุ่งไปทางทิตตะวันออกมองเห็นแสงสะท้อนจากวัตถุชนิดหนึ่งคล้ายกระจกบานใหญ่รับแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์ม้าก็วิ่งเข้าสู่วัตถุนั้น พอเข้ามาใกล้วัตถุนั้นคล้ายตู้พระไตรปิฎกไม่มีผิดท่านลงจากหลังม้าคลาดูแต่ข้างนอกรู้ว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกจริงแต่ไม่ได้เปิดดูม้าก็หายไปมองไปข้างหลังตู้พระไตรปิฎกมีแต่ป่าริมทุ่งคกชัดแล้วก็ตื่นขึ้นมาภายหลังท่านมาพิจารณาว่าขอนชาตินั้น คืออัตภาพของท่านชาติแปลว่าความเกิดเราเกิดชาตินี้จะไม่ได้อาศัยคันทวิบากคืออัตภาพนี้สิ้นภพสิ้นชาติเพราะถูกบุคคลตัดให้ล้มลงก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นว่าจะได้บรรลุคุณธรรมวิเศษแน่แต่ยังติดข้องอยู่ในโพธิยานเพราะได้ตั้งความปรารถนาไว้ต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้า จึงตัดสินใจว่าขอรวบัะตัดตอนดีกว่าเพราะว่าพระโพธิสัตว์ที่ยังรับพยากรแล้วยังมีเป็นอันมากที่ยังไม่ได้รับการพยากรก็ยังมีอีกมิใช่น้อยมานั้นคือตบะคือความเพียรไม่ได้เปิดตู้พระไตยปิฎกจึงไม่บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทายาน แต่สัมผัสแค่ตู้จึงสามารถนำธรรมของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนสิทธิและประชาชนได้ท่านเจ้าคุณอุบาลีจันสิริจันโทท่านว่าคุณมั่นเธอได้ปฏิสัมพิทานุศาสตร์รู้ในอัฏฐะในภาษาและการโต้อตอบปัญหาได้รู้ได้ใช้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ท่านว่าดังนี้เวลาที่ท่านแสดงธรรมท่านเจ้าคุณได้ฟังชมว่าคุณมั่นเธอแสดงธรรมเกิดมุตโตไทยเป็นมุตโตไทยพรรษาที่หนึ่งถึงสองท่านพระอาจารย์ก็คงจำพรรษาที่วัดเลียบเมืองอุบลนั่นเองแต่ในฤดูแลง้งรับกระถินแล้ว ออกแสวงวิเวกตามร่มไม้ชายป่าใกล้หมู่บ้านกับท่านพระอาจารย์เสาพรรษาที่สามก็จําพรรษาที่วัดเรียบเมืองอุบลท่านพระอาจารย์เล่า ว, ว่าพรรษานั้นมีการซ่อมแซมศาลาเลื่อยไม้สายกบท่านก็ทํากับเพื่อนเวลาเพนก็ฉันเพนแต่พอฉันเข้าไปแล้วเกิดปวดท้องเป็นเวลาชั่วโมง จึงไปทํางานกับเพื่อนได้เลยฉันแต่หนเดียวตั้งแต่นั้นมาทํางานไม่เหนื่อยไม่หิวทําวัดสวดมนต์เช้าเย็นตามกฎของวัดไม่เคยขาดส่วนข้อวัดส่วนตัวก็มีเดือนจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่ขาดบทภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแค่นี้ไม่ได้เปลี่ยนมาหลายปี ในภรรษาสามนั่นเองก็รู้จักจิตรวมเป็นสมาธิพอจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิปฐมฌมานอุคหานิมิตก็ปรากฏว่าตัวของท่านมานอนตายอยู่ข้างหน้าห่างประมาณหนึ่งว่ามีสุนัขตัวหนึ่งลากไส้ออกไปกินจึงกำหนดอยู่ในนิมิตนั้นจนร่างนั้นเน่าผุเปื่อยเห็นหลายศพทั้งตายเก่าตายใหม่ แรงกาสุนักถึงกัดกินอยู่เหลือแต่ร่างกระดูกเต็มไปหมดทั้งวัดเรื่องมองเข้ามาในตนก็เห็นแต่ร่างกระดูกมองเพื่อนพระเนเนก็เห็นแต่ผ้าจีวรกลุ่มร่างกระดูกเนื้อหนังตับไตไส้พุงไม่มีเวลาไปบินธบาตมองดูชาวบ้านก็เห็นแต่เรื่องนุ่งหม่มห่อกระดู เวลาพูดกันเห็นแต่ฟันกระทบกันทำให้เกิดเป็นเสียงนึกแล้วอยากหูเราะแต่มีสัญญาณบอกว่าอย่านะเดี๋ยวเป็นบ้าพระอาจารย์ท่านได้ไปเรียนถามพระอาจารย์เสาท่านก็บอกว่าไม่รู้สิเราไม่เป็นให้พิจารณาไปท่านให้แต่พิจารณาไปจึงเพ่งแต่ร่างกระดูกนั้น จนกระดูกนั้นรวมเป็นดวงแก้วประมาณเท่าผลมะพราะ้าวเพ่งดูดวงแก้วสว่างไปข้างหน้าปรากฏเป็นทางใหญ่คล้ายลาดด้วยซีเมนต์นึกอยากไปจึงไปตามทางนั้นปรากฏว่าตัวท่านพระอาจารย์เดินไปตามทางนั้นแต่ขณะเดียวกันองค์ท่านก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิม ในระหว่างทางทั้งสองข้างมีภูเขาและถ้ำมีเงื่อมผามีพระภิกษุนั่งสมาธิอยู่มีที่อยู่คล้ายประทุนเกวียนเรียงรายอยู่ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเดินไปจนสุดคนทางมีเหว ล, ลึกอยู่ข้างหน้าเดินไปไม่ได้ก็กลับวันต่อมาพอนั่งสมาธิจิตสงบ ก, ก็เดินไปอีก พอถึงกำแพงประตูเปิดคอยอยู่แล้วเลยเดินเข้าไปจะว่าวัดก็ไม่ใช่จะว่าวังก็ไม่ใช่แต่มีโบสถ์มีวิหารมีวังสะอาดสะอ้านแต่ไม่มีคนหรือพระอยู่ท่านก็เดินไปตามทางสถานที่ต่างๆนั้นพอไปถึงโบสถ์ซึ่งเปิดประตูอยู่ก็เดินเข้าไปเป็นโบสถ์ว่างไม่มีคนอยู่ แต่เห็นธรร ม, มา ต, ตั้งอยู่มีหมอนมีรองนั่งเหมือนธรรมะมเทศทั่วไปแต่สวยงามวิจิตด้วยลวดลายลงรักปิดทองท่านพระอาจารย์ก็ขึ้นไปนั่งบนธรร ม, มตนั้นพอนั่งเสร็จก็เห็นภาชนะอาหารมาวางข้างหน้ามีกองข้าวมีภาชนะมีกับคือแตงกวาที่ซอยเป็นคำและมีน้ำพริกปลาปนท่านได้ฉันอาหารนั้น ซึ่งมีรสอร่อยเหมือนอาหารธรรมดาพอฉันเสร็จภาชนะ น, นั้นก็หายไปมีความรู้สึกขึ้นมาว่าสถานที่นี้คือพระนิพพานพักอยู่พอประมาณแล้วก็เดินออกมาจิตก็ถอนจากสมาธิเป็นจิตธรรมดามีความรู้สึกว่าท่านถึงพระนิพพานแล้วมาภายหลังท่านพระอาจารย์ว่า มีถรำสองข้างทางซึ่งมีพระภิกษุนั่งสมาธิอยู่ใต้พระทุนเกวียนนั้นคือรูปปพระโพเมโลกส่วนที่ว่าวัดหรือวังนั้นคืออารูปปพระพเมโลกพระอาจารย์ท่านว่าพอนั่งสมาธิจิตก็ส่งออกไปอยู่สถานที่นั้นนึกว่าถึงนิพพานแล้วแต่พอออกมาเป็นจิตธรรมดา มากระทบกระทั่งกับอารมณ์ภายนอกเห็นรูปที่น่ารักโดยเฉพาะเพศตรงข้ามก็ยังเกิดรักเห็นหรือได้ยินเสียงที่น่าชังก็ยังชังอยู่เลยมาเฉลียวใจว่าเอ๊ะนี่เรามาถึงพระนิพพานแล้วทำไมจึงมาหลงรักชังอยู่ได้เล่าเห็นจะไม่ใช่พระนิพพานกระมังนั่งสมาธิที่ไรก็ไปที่นั่นทุกที พอนึกได้ดังนี้แล้วจึงตั้งใจใหม่แต่ไม่ให้จิตมันรวมเดินจงกรมก็เอาจิตไว้ที่กายจะบริการพุโทโธหรือมู ล, ลกรรมฐานก็แล้วแต่ไม่ให้จิตรวมไม่นั่งสมาธิเวลาจะนอนก็นอนเลยทำอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดสติพอวันที่สามเอาไม่อยู่ เพราะความพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะพอนั่งสมาธิจิตก็รวมใหญ่โรวมคราวนี้ไม่ออกไปข้างนอกอยู่กับที่ปรากฏว่าร่างกายนี้พังทลายลงไปเลยปรากฏเป็นไฟเผาเหลือแต่กองเท่าทานและจมหายลงไปในแผ่นดินขณะนั้นจิตอยู่กับที่รู้ขึ้นมาว่าเออถูกหลาทีนี้ รอจิตไม่ไปไหนอยู่กับที่แล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาว่าทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากเราควรกำหนดรู้เราได้รู้แล้วสมุทัยคือแดนที่เกิดแห่งทุกข์เป็นสภาพที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธคือการกระทําให้แจ้งซึ่งอริยสัจ เราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิปทาควรเจริญเราได้เจริญแล้วพระอาจารย์ท่านว่าขณะนั้นจิตของท่านหมุนเป็นปรากฏการ์แปลกประหลาดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและท่านว่ากิริยาของจิตที่เป็นอย่างนั้นเป็นไปโดยไม่ได้ไปแต่งเป็นผลเกิดมาจากการอบรมภาวนา จเจริญมักมีองค์แปดให้ต่อเนื่องตรงกับคําว่าภาวิโตผะหุลีกโตอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานญาสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อความดับสนิทและท่านยังย้ำอีกว่าสังวัตติย่อมเป็นไปพร้อมหรือเป็นไปพร้อมอยู่แล้วแต่จะว่ากัน ท่านพระอาจารย์ว่าอาการของจิตที่เราพูดกันส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามีอาการยืดยาวไปเหมือนเชือกล่ามบัวล่ามควายหรือคว้างไปเหมือนคาบบังเข้าลามก็หาไม่ลักษณะาอาการของจิตก็คือเกิดดับเกิดดับอย่างต่อเนื่องยกอยู่ในฌานหรือสวัยผลแห่งมรรคที่จเจริญแล้วเท่านั้นลักษณะของจิตที่เป็นอย่างนี้ เรียกว่าโคตรภูยานคือยานความรู้ที่ก้าวข้ามจากปุถุชนโคดก้าวสู่อริยโคดเป็นปฐมมักโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันแต่ท่านพระอาจารย์มิได้พูดว่าท่านเป็นท่านพระอาจารย์อธิบายว่าเป็นกิริยาของจิตซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติธรรมภาวนาอบรมมักแปด หรือมักมีองค์8ปดคือศีลสมาธิปัญญาผู้เล่าสงสัยว่าอาริยะบุคคลต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือจึงคอยหาโอกาสกราบเรียนถามพอได้โอกาสเวลาฉันน้ำร้อนน้ำชาสองต่อสองจึงได้จังหวะกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้น จะรู้แจ้งสัจธรรมได้ไม่ได้จะรู้ได้อย่างไรความตรัสรู้จะเป็นสัมพุท ธ, ธะและสาวกอนุพุท ธ, ธะก็เป็นแนวเดียวกันจึงเป็นอริยะบุคคลได้พอเรียนถามว่าครั้งพุท ธ, ธกาลนางวิสาขาพร้อมบริวารห0 0รอฟังธรรมจากพระพุท ธ, ธเจ้าว่ากันว่าผ่ากันยินฟังกลางถนน พอเทศเสร็จก็สำเร็จกันแล้วดูรวดเร็วนักท่านเหล่านั้นจะรู้ตัวหรือเปล่าท่านพระอาจารย์ก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าชั้นบรมครูพระองค์ทำได้ไม่เหมือนพวกเราสอนจนปากเปียกชะก็ยังไม่รู้พอเรียนถามว่าแล้วท่านเหล่านั้นจะรู้ตัวหรือเปล่า ท่านพระอาจารย์ตอบว่าในเบื้องต้นอาจไม่รู้ตัวเพราะเขาเหล่านั้นฌานยังอ่อนภายหลังจึงรู้ตัวได้เพราะเหตุนี้พระโสดาบันจึงปิดประตูอบายภูมิสีได้ท่านเหล่านั้นดำรงตนอยู่ในสารณะและสีลห้ายังมั่นคงกิริยาวาจาและใจที่เคยเป็นอกุศลกายฆ่าสัต์ วาจากล่าวมุสาและใจเป็นอกุศลละวิตกที่เคยชินมานานหลายภพหลายชาติพอจิตก้าวสู่อริยาวาังสาปฏิปทาแล้วอกุศลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นก็จะมีญาณเกิดขึ้นห้ามเป็นอิริโอต ป, ปะมากางกั้นไว้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงปิดประตูอบายภูมิได้แม้แต่ท่านพัทธวคี พร้อมสหายทั้งส0สิเดินทางไปเที่ยวป่าไร่ายพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมสำเร็จแค่พระโสดาบันบวชเป็นเอหีพิขุพระพุทธองค์ยังทรงให้ไปประกาศพระศาสนาได้ต่อมาเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน 3, สามทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต ท่านพระอาจารย์ว่าอย่างนี้นี่คือเหตุการณ์ในพรรษาที่สามที่วัดเลียบเมืองอุบลของท่านพระอาจารย์พอปวารณาออกพรรษากับกฐินสิ้นภาระแล้วจึงปรึกษากับท่านพระอาจารย์เสาชวนกันมาศึกษาต่อที่กรุงเทพ